มันมันสเปนเฉพาะเห็นเจ้าคนนี้เจ้าของเขาต้องมองโลกกระทันหันมันก่วงออกไปเนี่ยไปสภาพสังคมสภาพแบบน้อมสภาพต่างๆนี้ต่างๆเบิ้งนี้เบิ้องเราเห็นแล้วก็โอ้ยเขาทีได้แก้ไขเขาทีได้ปรับปรุงตนตัวของเขานี่ของเขานําแต่คั้งแรกแรกก็อาศัยเบิ้งเจ้าของนั่นแ่ะเบื้องเจ้าของเมืองเขาเข้าใจกับชีวิตกิตเจริของเขาแล้วก็เอาชีวิตไปนีการพัฒนานีการที่จะก้าวเข้าไปหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วประยุกต์มาใส่เข้าไปเกี่ยวของ เยี่ยงของแหมือใบจังสีบอเกิดควา ม, วามทุกข์กับโตนิตตตของเท้านี่ของเท้าเกี่ยวของเหมือนใดจังสีมีความสุขความสมบุกสมบุกเกิด ข, ข, ข, ข, ข, ขึ้นแพ้นในเจรของเท้าแต่กันเท้าบ่มีอุปกรณ์บ่มีความชํานาญในชิงมุนีเหล้วกัมันก็นยากอยู่เหมือกันเมตนักปฏิบัติทำกับเท้ากันนะเพราว่าคุปตาอาจารย์สมัยเก่าสมัยก่อนในู้ที่สึกออกไปซื้าลาพิเอตออกไปตะกี้ต่ ก, ก้อนก็บอกว่าสามารถที่จะเอาไปใส่ได้ในชีวิตประจำวันของเท้านี่ของเท้า แต่พ่อออกไปจริงๆนะรู้สึกว่าก็ยอมรับสารภาพบอกว่าโอ้บอมีเลา่าแสดงว่าพวกเขานั่นต้องอยู่โดยความบระมางสิลิแก่เพิ่มขึ้นมาอีกล่ะขนาดเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ขนาดเพิ่นบอกว่าเพิ่นพวกที่เพิ่นศึกหาลาเพศออกไปเนี่ยไป มันสามารถที่เว่าได้นี้ได้สามารถที่จะชี้แจงแสด ง, งนี้ได้ดีแต่พอเอาไปจริงๆแล้วประสบปัจจุบันปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดมันเอาสิ่งหนีมาใส่โดยที่บ่าท่านอกทัานใจเพราะฉะนั้นว่าสิ่งไดสิ่งหนึ่งกระตามมักระตามเกิดขึ้นมานี่ขึ้นมาพวกเขาย่าเฝ้าหลงแม้แต่พระภิกษุ ส, สงฆ์เขาเขากัดสะเฝ้าหลงว่าเขาเป็นผู้สอนสื่ อ, อ, อเป็นผู้ชี้แนะแนว น, นี่สื่อนี่ซื่อ แต่ว่าพวกเขาก็ต้องสํานึกที่ตลอดเวลามาเอื่อนนันเป็นนาทีแต่ว่าเมื่อคนจากน er ้าที่พวกเขาแล้วเขาต้องทํำนาทีตัวนั้นของนับนาทีของเขาอีกชุดหนึ่งชุดหนึงชุดหนึ่งด้วยกันบอมันสอนสอนไปเลยแล้วไปเลยนี่ไปเลยบอแมนต้องมีความรับผิดชอบซอยกันมีซอยกันทั้งเมื่อในวิทยาศาสนามันยังสิษยเริ่องเกิดขึ้นมาในขึ้นมาใด้ความเสือ่อมทั้งด้านศิลธทํามันลุกข้ามกับมามากมีมามากแต่กีแต่ก่อนเขาอาจจะเห็นอยากเห็นย่อมอ่าถ้าพันไปพันมากเขาเจะอาจจะมีความ เขาหลบหน่อมๆผสมองค์ององข้าเจ้าแต่หนาตามนันชนบทตามบันนอกบันนเ้เขาอา จ, จมีแต่ในเมืองในที่เจะเรื่อนรู้สึกว่าดีบดีพวกเขาต้องหลบข้าเจ้ายางเข้าไปในตลาดแต่นี้นี่โอ้ยจนเดินเื้อมือนี่เจนว่าอยากเข้าในตลาดล่ะจเป็นยังไงเขาไปในตลาดค น, นจันทร่คนจันรู้สึกว่าใครอยากเขา้าเนี่ยอยากเขา้าเพราะยังไปเข้าไปแล้วรู้สึกว่าปุ้ยจะแมนยังก็วแมนยังเห็นแล้วก็รู้สึกว่าพ เพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติของเขานี่บรรยากาศรู้สึกมันอากาศมันก็ดีอากา ศ, ก, า ก, าศก็งเงียบสงบดีนี่ดีบรรยากาศเดือนก็ ง, ง่ายยิ่งแล้วมาเคื่อนไฟไ ฟ, ไฟเปิดไฟปิดอยู่ตลอดนี่ตลอดเทียนเดือนง่ายบางคนอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในในสีในแสงในบ้านในเมืองในทุ่มที่จะเล่นเหลือกินเ่เห็นเดือนเห็นดาวทั้งหมดเห็นแต่หลอดไฟหลอดนี้อ่อน อยากบอกให้เจ้าภาพเป็นวันเนี้เมื่อคืนอยากปิดให้ปิดไปเดินจงกรมะเบิ่งเดินเบิ่งดาอยู่คุณโอ้ยสนุกสบายดีนี่ดีอากาศเย็นๆย น, ย น, นอนตามพรมใหม่สั่งพ่อมูอศึกมือเมือเป็นบรรยากาศที่ดีนี่ดีดดเพราะฉะนั้นว่ายาสังมณภาวะภายในสิ่ ง, งแวดล่อมของเขาไกลตนวไกลตัวข อ, ข, ตอของเขาต่างคนต่างกําจัดมณภาวะต่างคนต่างกําจัดขยะชีวิตของเขาจิตใจของเขาออกไปให้มดให้เหลือแต่ความสะอาดสว่างสงบ แต่กันตังค้นตาง ม, มิแต่ขยะบะะยะย่เนี้ขยะกึ่งยังเนี่ยว่าบบวกันบ่เลิกบ่แล้วพุ้ยกันบ่เลิกบ่แล้วถามกันเลิกบ่เลิกบ่แล้วถามข่าวถามข้าวกันบ่เลิกบ่แล้วอันนั้นคือขยะสิ่งบ่ต้องการสิ่งบ่อยากได้สิ่งบ่อยากเห็นสิ่งบ่อยากเอา่สิ่งบ่อยากเห็งทั้งหมืดเอาแตความสะอาดสว่างสงบที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขา รู้เห็นพอใจสัมผัสอยู่นี่ขณะนี้นั่นแหละเป็นตัวคือเป้าหมายของเขาในของเขายกไงไงในขณะนี้เขาเขาเบิ้งขึ้นกัน่ย้อนกับเมื่อเบิ้งจิตแจกของเขาเบิ้งขึ้นกันความรู้สึกมือเมื่อของเขาเป็นอยู่ลัระนั้นในระดับใดยกมือเดินเดินจงกรมกระพริบตาหายใจอาปากอะไรความรู้สึกของเขาเป็นยังไงระดับใดความรู้สึกของเขามันทีบอ ของความรู้สึกของามันชัดดีบ่ะแต่มันยังเบอรเบอร์บางคนก็นยังว่าท่านลงตัวบอกว่ามันก็โอ้ยจากจังใดเคยเหตุเค้ทำมาอีกแบบหนึง่งมีแบบนึงบบน่งแต่เบื่งแล้วกับคงที่บอเป็นลักษณะนั้นหยาดย่อมกับคงศิผ่านมาหลายสำนักหลายสนักหลายเวทีแล้วก็่ยังที่พิธีก่อนเพลินวานนั่นแหละหลายเวทีหลายนี้แล้ว เมื่อเข้าหูจากว่าเข้าอยู่หลายเวทีผ่านอสนามมาทานสำนักหลายแต่ละสำนักมากนี่มากต่างคนต่างรับผิดชอบเจ้าของรองมองต่างคนต่างรับผิดชอบเจ้าของรอเมืองพิสูจน์สงเข้าขึ้นกันต่างมีความรับผิดชอบทงกนต่างคนต่างมีความรับผิดชอบเหมือนกันรองมืองมันกเกิดบบวิบัญหาสิโบวิบัญหา โบมีปัญหาในการจัดกลุมจัดกอนโบมีปัญหาในการที่จะแบ่งกลุมแบ่งกอนแบ่งให้พี่เลี้ยงพี่ลงเอาไปแทนเพื่อไปควบไปควบไปคุ้มขันมีมีความรับผิด ช, ชอบในตัวตนของเจ้าของอะไรนี่เหละดีเล่นไปนี่ไปทําหน้าที่คุ้มของไปหรือพี่สุพระน์พี่สุสงเขาก็เอ้าเมื่อมีหน้าที่ก็ทําทําไปนี่ทำไปมีญาตินี่ย้า ม, ยามาคุยคุยเท่ากับคุยแนวไห้นี่ไ ห, ไหไ้อันนี้แหละรู้สึกว่า ไปใช่ไปเสกกะเก่าอยู่พื้ผู้เก่ากะอยู่พื้นเก่าผู้ใหม่กะอยู่พือเก่ามันก็เลยเอาอย่างเก่าเอาความเป็นอยู่เอาความอยู่โดนเอาความได้เฮ็ดหลายนี่หลายทันทีว่าเป็นตัวเก่าตัวใหม่เก่ามันก็ต้องเป็นผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เก่ามันก็ต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในด้านจิตกันปฏิบัติของเขาในของเขายืนเดินนั่งนอนอยู่บนไดบบอนไฮเพิ่์นไปคุ้มกันเบิรนโบว์ไปคุ้มกะคือยิ่งอย่างเท่งเขาเมียมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุม นพระอาจารย์ไปคุ้มพระอาจารย์ไปคุมอยู่ตลอดนี่ตลอดอยู่ไหวจีขันอาจาม์บไปคุ้มกับมบไปเหตบ๊อบบันเ็ดนอนขาขึ้นห่างเห็เเวยอย่าปากซวอย่าโอ้อันนั้นแสดงว่าคนบัมีความรับผิดชอบเจ้าของเจ้าของเพิ่นทีมาเพิ่นทีไปเพิ่นจีมาขึ้กันแม้แต่ยุคกับหลวงพ่อเนนี้กันสมัยยู่หลวงพ่อเช่อยุ่หลวงัดโมกขึ้กันอาจารย์สมซักอาจารย์คนอ่นก็ดใคอยูน้ากันให้น้กัน ผู้ปฏิบัติแต่รู้สึกเพ่นคอยเพ่นกระเบงคือกันเนี่ยพระสงฆ์องค์นี้องค์ใดที่เพื่นปฏิบัตินี่ปฏิบัติบ่เห็นว่าเห็นเพลิงยังเดินเดินมั่นล่องเท่าดิดส่วนเท่าแทบแทบแทบแทบมาละแยกกันน้าท่ายกเมยยกมืออ e ันนั้นตลอดพรรษากระบ่กเขาไปหาบอกขุดบอคุยแต่คันผ er. ู an, ้ต <im> ั้งใจมันหลีกเล่นเอาไปนี่เอาไปแต่ซูมือเนี่ยกระแปลกกันจักมันอาจารย์ติดอารมณ์ไม่ออกหรือไม่ออกติดอารมณ์อาจารย์ก็บอกจัก อาจารย์ก uh ็คุยคุยไปคุยมาแล้วคุยมาคุยไปก็คุยเยอะหันเละเดินจงกรมพักกันก็เดินจงกรมพักกันคุยเยอะหันเลยอ้ามันมันมันพักกันมาปฏิบัติที่พักกันมาคุยกันนี่ก็ขั้นก็เป็นคุยอยู่ผ่านอยู่หันพูดว่าเนี่ยกันแนืแห่เป็นอารมณ์จริงๆเน่ยตอนแนืเข่ามาหาตัวหาตัวเขาจริงๆนี่จริงๆบอลคุยไปคุยมาแล้วคุยออกนอกล้มนอกนอกนอกนอกทั้งไปก็ติดเกันแล้วกันคุยไปคุยกันมาคุยกันมากันไปนี่กันไปก็เอา มันก็ได้แต่ความเคยชินม้าเนี่ยสั่งในความเคยไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่ขึ้นมากันบดได้พูดได้คุยกับปฏิบัติบดได้การบดได้ยกใหม่ยกงูขึ้นการเคลื่อนยังทำยังแต่วูวู้รู้สึกมันเปลนไปนี่ไปเลยเมื่อเพราะฉะนั้นว่าพวกเท้าผูกคอผูกแม่ผูกพระปิศาจสูงเท้าให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเพป่นว่าเป็นงานนี้เป็นงานสุดท้ายเด้เนี่ยงานอิจฉาบัญยัตินิวรณเป็นงานสุดท้าย แต่ว่าบาบันทั้งเลย์บันห่วยให้บันทั้งจะจ ะ, จะตุลับทั้งที่ทั้งเดนี่เขาจะว่าที่มีจากเลอจากดีไปก็มีแต่ว่างานเขาขายของขายจากนิมตลเดือนพฤษภาเนี่ยกัมีนั่นเปนเพื่นรับเฉพาะพระขันญญยัย่อมมีศรัทธาอยู่ได้เฉพาะยี่สิบมือขึ้นไปเพป็นยังสิรับอันนี้กันนะมี่ทีกันเพราะฉะนั้นว่าอยู่ไซก็ตามอยู่บ้านของเขาก็ตามนี่ก็ตาม ให้มีความราับผิดชอบเจ้าของ ร, ร่องเบิงสร้างความราับผิดชอบเจ้าของคำว่ารองเบิงนี่ร่องเบิงให้มันได้จะให้คนอื่นเป็น ม, มาบอกแต่มันก็แปลกยู่ว่าคนเฮาเนี่ก็ได้เนาะแม้แต่ตายก็ต้องต้องต้องใสไง่ไม่คมเหงื่ออย่างยู่ได้คันแม้แต่คันเผาแล้วคันไม่มีไม่คมเหงื่ก็ยิ่งกูหลูกูลวงมาจากของฟ้อนปลึกลทั้งนอกทั้งล่างเมันก็แปลกไปพื้นกันเพราะฉะนั้นว่าให้เฮาบังคับเจ้าของให้มันได้เด้อ หยาดย่อมผ่าพิสูจน์สงองเน้นอ ง, งเน้นองเน้นเท่ากันอ พ, พยายามกวดพยายามขวดสิ่งบดีบอออกบดีบาง้ามออกไปเนี่ยออกไปขยะในหลันแลขยะชีวิตของเขากับพยายามกวดออกไปเนี่ยวไปเสียดามีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นมาในขึ้ขนมาสิ่งที่บดีบง้างาเกิดขึ้นสิ่งบดีบง้างที่เขาเคยติดเคยทำเคยนีมาเขาก็ลดดกละมือว่านเห็นไม่ออกเป็นวัตถิเสียงอย่างเสียงไม่ออกบานหน้าพ่อตีเสียงมาก ว่นน้อยแต่ตะลิศตัวนี่หรอกล่ะแล้วก็เอามาไห้ซะกูไปกูมากก็เลยไห้ยีรีกันเป็นล้มกระบอกนะสิตดตไถดมแทร่แพร่ยาดมอันนี้ก็โค้ดที่เข้มแข็งอยู่หรอกอยาดยมพอเพิ่นเคยผ่านมะหลายนี่มะหลายคุ้มแต่เยาวดโมกุนบอดายไม่เห็นเยี่ยปีก็เลยคุ้มหักคอเลยหมูวะนนี่ยลงลถยกับหักคอเลย เพราะฉะนั้นกะให้ตังออกตังใจพวกพระสรงองค์เน้นเท่าให้กันขันสิงเตะสิงเสพติดสิ่งสะิดมากนี่มากกะเอากะลองเท่าลองเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของเท่าลองเบิง้งจากสิ่งเหอันนั้นมาอยู่กับความเป็นอิสระโดยที่บ่มีเรื่องมีตกกังวลอย่างทั้งเมดอันนั้นมันคงสิมีความสงบสุขมากกว่านี่กว่าเพราะฉะนั้นว่าหยาโยมที่มาอยู่ในช่วาารงระยะหกหมื่นเ็ดหมื่นกะเอาเฮ็ดให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองเบิ้งแล้วกั เป็นภูครบคุ้มเจ้าของร่องเบิงท่จยิงนี่เนียเนมาม่ายอากาศสีบูฮูจักนะพูนเข้าไปทั่งในป่าตาคมวงดีดีแต่ว่ากายสระเอาเกลือเอาประแดกไปน้ำเด้เกลือแต่ว่ามือวานนี่ไม่ออกลกพหนาโพาเพิ่ะเอาปุ๊กประแดกปุ๊บบักน้อยหนึ่งถาวายาจาย์สมศักดิ์อันนี้กำละว่างอยู่คืออนี้ก็นเล เดี๋ยวคนเดียวพุกประแดดไปใส่จเป็นนางจะใต่ต้นบักม่วงเนาะบอกบอกแต่ไม่ออกแต่ว่าเอออันนี้ก็อาทิวงกับเพราะเป็นยังด็กเนาะง่วงแน่นีแน่ก็กินไปแน่นี่ไปแน่ก็ธรรมดาดอกเรียงยูเรียงกินใจใครกินเป็นลําไปล์ลำเลลาลูกเน้นน้อยกันนะบ่ายโมงไปแล้วจะไปแตะไปต้องนางเบืองอื่นน้ำไร้เอื้อเอื้อเลยก็ได้ดอกมือเืนเสามึงเถอะเดี๋ยวมันจะดึกตลอดมาถึงมีเสียไปเลิกจังนี้ไปก็ใส่หลดก้อนก็ได้ แต่มันก็นบ่กหิวนเนาะไปไปหิวหิวพุ่นพุ้นช่วงที่ง่วงช่วงไปบ่ายโม้งคุณช่วงง่วงช่งงวงเงาง่วงเงาเขานอนคุณเพราะฉะนั้นให้ตังค์อกตัง้งค์ใจดีนี่ดีเนาะเอาละที่พูดมากกับคงศรีใส เ, เบลลาโบมาบอไม้ออคงสรีมาสมควรเจเวลาเพร า, าะว่าพระละนาทีต่อไปนี่ก็อาทิตฉันข้าต้มหรือสีบให้ฉันก็บอยจั ก, อ, อ, กอยากฉันอยู่บว่านั้นเนี่ยหน่อยฉันข้าต้มบออ่ โบปากแสดงว่าโวชันไม่ออกก็เก็บเทิมเทสทิมซด้ลยข้ต้มไม่มีผู้ใดอยากก็อกเทสทิมรสก็พจินนี่หน่อยก็พจินไม่ออกก็พจินเนาะเพราะว่านี่กาศิดบินธบาตเวลาออกบินธบาติิธบัต์จนกัดหย่อนเวลาเป็นกันเลวลามาทรรมตีสีตหาหกโมงหามองหกโงกาสิเดออกบินธบัตินิธบัตนั้นนั่นกาคงศีสมมาภาควน ก็ขอให้ญาติเหยืหยมีความตั้ง อ, อกตั้งใจอ่าให้เห็นใน ห, หูให้เขาสัมผัสกับตัวสติตัวปัญญาของเขาที่มันเกิดขึ้นภายในชีวิตกิจแจกของเขาในขณะที่เขายืนเดินจงกรมเดินยืนเดินนั่งนอนตลอดทั้งตลอดจนมัดล้มหายใจแล้วเนาะตื่นตนขึ้นตัวอยู่เสมอๆก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะครับเป็นอาจารย์อันก เ, เป็นก็ได เบาให้คอชิดให้คอสนับแน่ที่แนะแนวทังกับเพกกบราะการดู้ซึ่งก็เป็นบุญหบุญตาที่ได้ยินได้ฟังการมาอบรมการได้ฟังทำเพื่อว่าทั้งอบทั้งล้มอบก็บคือการได้ยินได้ฟังหรือว่าการล้มทั้งอบทั้งล้มพร้อมให้มันเป็นประโยชน์ ต่อการเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างนันมนีเพื่อจะได้เบ า, าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องการเป็นยูอของคนเห่าของชีวิตผาขันเห้าบริบูรณ์บริบูรณ์บริบรณ์มาปฏิบัติ บ, ต บ, ต บ, ตบางครั้งมันจะอยู่กับความหลงความหลงขอบงั่าการพูดการกระท่ำโอโมนีสิบีข้าต้อมนี่ ขั้นขอ้อต้มแล้วเฮากระสิใดให้ประสงค์เฮาไปรับขอ้อต้มจะแสดงว่าเฮาสิใดรับขอ้อต้มกอนกอนสี่สิบไปรับบินทบาทอาชิมีบินทบาตในบ้านโยกกระบอกหัจักจังคอยฟังเปินอาจารย์เปิดบอกอีกเท่านึงให้ฉะนั้นต่อจากนี้ไปเฮากระสีใดให้พร่อนขังแก่ให้พรอนแล้วกระสีใดนิ ม, มนต์ประสงค์ไปรับ เราจกขันกับหยาดย่มกระจังคอยตายอยลุกไปเป็นแถวไปรับเรื่อยๆจนกว่าสิเซ็ตแล้ว้องคอยชันไปท่านพร้อมกันภรรบันีกะหายพ่ อ, อต้มพระบนันเพราะวะตุสัพพมังขลงังขอสัพพะมงคลจงมีแก่านรากันตุสัพพเทวตา อเราเทวดาตั้งปวงจงรักษาทตนสะปาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแพ่งปาพุทธเจ้าสะปาดัมมานุภาเวนาด้วยอนุภาแพ่งพปาดำสะปาสังฆานุภา